สถานีวิทยุครอบกลัวข่าวสจร f 10อ106้อกาพิจาพระมหาภัยบู์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไนโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เรื่องราวที่นำมาพูดคุยเล่าให้กันฟังนั้นก็เป็นไปในทางคาสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งในคำสอนนี้ธรรมัังเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเป็นเรื่องที่ไม่ใช่จะย่างลงได้ง่ายๆด้วยการตรตรึกเป็นของบัณฑิตวิสัยเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มันมีความยากความซับซอ้อนเนี่ยก็ต้องบางทีก็อาศัยผู้รู้ที่เขามีความรู้ความชำนาญที่เคยศึกษาเล่าเรียนมาก่อนไม่ว่าจะเป็นทั้งทางการใช้ภาษา เกี่ยวกับทางภาษาศาสตร์หรือว่าการที่เห็นตัวอย่างในชีวิตป ร, ระจำวันได้เคยนำไปใช้นำไปปฏิบัตินำมาแบ่งปันข้อมูลเหล่านี้ให้ธรรมบุฟังฟังก็จะได้เกิดความเข้าใจในทางคาสอนนี้ได้มากขึ้นในวันนี้จะได้นำเรื่องของท่านพระมหากัสปะมาเล่าให้ธรรมบุฟังได้ฟังกันภิกษุที่ชื่อว่ากัสปะในสมัยพุทธกาลนั้นก็มี อยู่หลายรูปด้วยกันเราได้เคยนำเรื่องของท่านพระกุมารกัสปะคือผู้ที่บวชตั้งแต่เมื่อเด็กๆแล้วก็พระราชาได้นำไปชุบเลี้ยงก็เลยใช้คาว่ากุมาร น, นาหน้าเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าอ๋ อ, อ ก, กัสปะองค์ที่บวชตั้งแต่เด็กที่เคยถูกพระราชาชุบเลี้ยงมาเขาชื่อว่ากุมารกัสปะกัส ป, ปะองค์ไหนอ่ะก็ถ้าองค์ที่บวชตอนแก่แล้วเขาก็เรียกว่า มหากัส ป, ปะอ๋อองค์ไหนอีกกัสปานี่เขาก็มีอีกองหนึ่งที่เคยเป็นชลินมาก่อนอยู่ริมน้ําเขาก็เรียกว่านาทีกัส ป, ปะแตมีหลายรูปด้วยกันวันนี้จะนําเรื่องของท่านพระมหากัส ป, ปะที่ท่านนั้นบวชเมื่อตอนอายุมากแล้วตอนอายุมากแล้วเดี๋เรื่องราวที่จะนํามาอ่านให้ท่านผู้ฟังฝั่งนี้มาในนิทานดัมบบดที่เกี่ยวกับเรื่องของท่านพระมหากัส ป, ปะ จริงๆแล้วเนี่ยท่านก็อยากบวชมาตั้งแต่ยังเป็นอยู่ในปฐมวัยนั่นแหะแต่ว่าไม่ได้โอกาสนบารดาบิดาไม่อนุญาตไม่ยอมจนกระทั่งมาได้บวชนี่ก็ล่วงผ่านไวัไปอย่างไรก็ตามท่านเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความสามารถมากสามารถในเรื่องของฌานสมาธิพระบรุญชาเนี่ยโอ้ยกย่องท่านพระมาหากาัสปานี่อยู่หลายเรื่องด้วยกันในเรื่องแรกที่จะให้ฟังในวันนี้คือท่านเนี่ยมีความสามารถเรื่องของฌานสมาบัติ สูงไม่ใช่แค่นั้นยังรวมถึงเรื่องของทุดงเรื่องความเข้าใจในเรื่องกัน5ทีนี้ก็มีสมัยหนึ่งที่ท่านเนี่ยพยายามที่จะตรวจดูสัตว์โลกทั้งหลายตอนนี้มีแงม่มุมที่พระพุทธเจ้าบอกว่าความสามารถในแง่ตรงเนี้มีสําหรับพระพุทธเจ้าเท่านั้นอันนี้คือไม่ใช่ว่าท่านพระมากระสปาความสามารถน้อยนะคือความสามารถมากแต่มากจนกระทั่งที่เรียกว่า สามารถที่จะคิดทําแบบที่พระพุทธเจ้าจะทําได้เรามาฟังเรื่องของท่านพระมาหากัสสปะตอนที่ท่านจะตรวจดูสัตว์โลกกันความพิศดาลว่าวันหนึ่งพระเถระอยู่ในปีปะพะลิกูหาเที่ยวบินนบาทในกรุงราชกฤชภายหลังพัดกลับจากบินนบาทนั่งเจริญอาโลกะกะสิน ตรวจดูสัตว์ทั้งหลายผู้ประมาทแล้วและไม่ประมาทแล้วซึ่งจุติและอุบัตในที่ทั้งหลายมีน้ำแผ่นดินและผูเขาเป็นต้นอยู่ด้วยทิพยจักษุพระศาสดาประทับนั่งในพระเชตวันนั่นแหลทรงตรวจดูด้วยทิพยจักษุว่าวันนี้กัส ป, ปะผู้บุตร ของเราอยู่ด้วยทำเป็นเครื่องอยู่อย่างไรหนอทร่งทราบบ่าตรวจดูการจุติและอุบัตของสัตว์ทั้งหลายอยู่จึงตรัสว่าชื่อว่าการจุติและอุบัตแห่งสัตว์ทั้งหลายแม้อันพุทธญาณไม่ทรงกำหนดใครใไม่สามารถจะทำการกำหนดสัตว์ทั้งหลาย ผูถือปฏิสนที่ในท้องของมารดาอันมารดาบิดายังไม่ทันรู้ก็จุติเสียแล้วได้การรู้จุติและปฏิสนที่ของสัตว์เหล่านั้นไม่ใช่วิสัยของเธอวิสัยของเธอมีประมาณน้อยส่วนการรู้การเห็นสัตว์ทั้งหลายผู้จุติและอุบัติอยู่โดยประการทั้งปวง เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเท่านั้นหลังนี้แล้วก็ส่งแผ่พระรัศมีไปเป็นประหนึ่งว่าประทับนั่งอยู่ในที่เชะปนาตรัสพระคถานี้ว่าเมื่อใดบัณฑิตบรรเทาความประมาทด้วยความไม่ประมาทเมื่อนั้นบัณฑิตนั้นขึ้นสู่ปัญญาเพียงหนังประสาทไม่เศร้าโศก ย่อมพิจารณาเห็นหมูสัตว์ผู้มีความเศร้าโศกปราดย่อมพิจารณาเห็นคนผ่านทั้งหลายได้เหมือนคนผู้ยืนอยู่บนยอดเขามองเห็นชนผู้ยืนอยู่บนพื้นดินได้ฉะนั้นบาลีว่าปะมาทางังอปะมาเทนะยธานุทัติปันทิโตปัญญาปาสาทะ มารุยะอโศโกโศกิหนิงประชังปร ะ, ะตัดโทวะภุมมัตเถทีโรพาเลอเวกคตินั่นคือเรื่องที่หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของท่านพระมาหากัสปะว่าท่านเป็นผู้ดีมีความสามารถในเรื่องของฌานสมาบัติท่า น, นั้นก็เป็นคนเมืองราชกระลคนที่อยู่ในเมืองราชกระเนี่ย ที่ไม่รู้จักท่านเนี่ยไม่มีเลยคือถ้าไม่เป็นญาติกันก็เป็นอุปทากละ่ะมีในสมัยหนึ่งดับเบิฟังที่พระพุทธเจ้าจะจะริกไปในที่อื่นท่านพระมหากาสปเตรียมตัวเก็บกระเป๋าเก็บข้าวของละ่ะถ้าพูดภาษาบ้านเราแต่ในภาษาพระก็คือทำการบ่มบาักิบวรเพื่อที่จะเตรียมไปกับพระพุทธเจ้าละ ก็มีพิสูจพวกหนึ่งทาบมญฝังที่เขาคิดว่าโอ้ท่านพระมหากระสปะจะไปได้เหรอคงจะติดทินที่อยู่เพราะว่าที่นี่เป็นบ้านเดิมของท่านคงไปไม่ได้หรอกไปแล้วก็ไปส่งนิดเดียแล้วก็กลับอยู่ไว้อย่างนั้นแต่เรามาฟังเรื่องนี้กันแต่ว่าจริงๆแล้วท่านจิตใจของท่านเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้ารับรองว่ายอย่างไรในเรื่องที่สองเรื่องการเดินทางจากไปจากเมืองราชฤกษ์ก่อนท่านพระ มหากระบะในสมัยหนึ่งพระศัสดาทรงจำพรรษาอยู่ในกรุงราชกฤห์รับสั่งให้แจ้งแก่ภิกษุทั้งหลายว่าโดยการล่วงไปกึ่งเดือนเราจะหลีไปสู่ที่จาริกได้ยินว่าการที่รับสั่งให้แจ้งแก่ภิกษุทั้งหลายว่าอีก15้าวันเราจะหลีไปสู่ที่จาริก อย่างนี้นั้นด้วยทรงประสงค์ว่าภิกษุทั้งหลายจะทำกิจต่างๆมีการระบุมบาทและย้อมจีวลเป็นต้นของตนแล้วจากไปตามสบายด้วยอาการอย่างนี้นี้เป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้มีประสงค์จะเสด็จจาริกไปกับพวกภิกษุก็เมื่อภิกษุทั้งหลายกาลังทากิจต่างๆ มีการระบมบาทเป็นต้นของตนอยู่แม้พระมหากษัะเทระก็สักจีวรทั้งหลายแล้วตอนพวกภิกษุว่าพระเตระละญากและอุปถากไปไม่ได้พวกภิกษุพากันยกโทษกินว่าเพราะเหตุไรพระเถ ร, ร, ระจึงสักจีวรเพราะในพระนครนี้ ทั้งภายในและภายนอกมีมนุษย์อาศัยอยู่สิโกรบรรดามนุษย์เหล่านั้นพวกใดไม่เป็นญาติของพระเถระพวกนั้นก็เป็นอุปทาคพวกใดไม่เป็นอุปทาคพวกนั้นก็เป็นญาติชนเหล่านั้นย่อมทำความนับถือและสักการะแก่พระเถระด้วยปัจจัยสี่พระเถระนั้นจรละอุปการะ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 จงกลับแต่เสียที่นี้อย่าประมาทก็ซอกนั้นชาวโลกเรียกกันว่าซอกมาประมาทะคำนั่นพิสษุทั้งหลายกล่าวหมายเอาซอกนี้นั่นเองแม้พระศาสดาสเสด็จรีไปสู่ที่จาริกพรางดำริว่าในพระกครนี้ทั้งภายในและภายนอก มีมนุษย์อยู่18โกรธอันภิกษุจะต้องไปในที่ทําการมงคลและอาวะมงคลของมนุษย์ทั้งหลายมีอยู่เราไม่อาจทําวิหารให้ว่างเปล่าได้เราจะให้ใครน้อแลนั่นอยู่ลําดับนั้นพระองค์ได้ทรงมีความปริวิตกอย่างนี้ว่าก็พวกมนุษย์เหล่านั้นเป็นทั้งญาติเป็นทั้งอุปถาก ของกัสปะเราควรให้กัสปะนั่นแหละอยู่ปร่งจึงตรัสกับพระเทราวากัสปะเราไม่อาจทาวิหารให้ว่างเปล่าได้ความต้องการด้วยพริกสุในที่ทำมงคลและอาบว่มมงคลทั้งหลายของพวกมนุษย์มีอยู่เธอกับบริษัทของเธอจงอยู่ที่นี่เถิดพระเถระ จึงได้ทูลว่าดีละพระเจ้าค่าแล้วก็พาพวกของตนกลับไปปวกภิกษุตั้งหลายเหล่าอื่นพลนธนาว่าผู้มีอายุทั้งหลายพวกท่านเห็นไหมละ่ะพวกเราพูดประเดี๋ยวนี้เองไม่ใช่หรือคำที่พวกเราพูดว่าเพราะเหตุไรพระมาหากส ป, ปะจึงซักจีวรท่านจะไม่ไปกับพระสัสดาดังนี้นั่นแหละ เกิดเป็นจริงแล้วตอนทรงชี้แจงเหตุที่พระมาหากัส ป, ปะกลับไปพระศาสดาทรงสดับถ้อยคำของภิกษุทั้งหลายแล้วเสด็จกลับประทับยืนขึ้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอกล่าวเรื่องอะไรกันภิกษุเหล่านั้นจึงกราบทูลว่า พวกข้าพระองค์กล่าวบารพพระมหากัสสะเทระพระชจ้าข้านั่นี้แล้วภิกสดุลนั้นก็ได้กราบทูลเรื่องราวทั้งหมดตามแนวความที่ตนกล่าวแล้วนั่นแหละพระศาสดาทรงสดับคำนั้นแล้วจึงตรัสว่าพิกสดุลงัลายพวกเธอกล่าวหากัสสะว่าคล่องแล้วในตระกูลและในปัจจัยทั้งหลายแต่ความจริง กัสปะกลับเข้าสู่นคร น, นั้นด้วยทำในใจว่าเราจะทำตามคำของพระตถาคตก็กัสปะนั่นแม้ในการกร่อนเมื่อจะทำความปรารถนานั่นแลก็ได้ทำความปรารถนาว่าเราพึงเป็นผู้ไม่ข้่องในปัจจัยสี่มีอุปมาดังพระจันทร์สามารถเข้าไปสู่ตระกูลทั้งหลายได้ กัสปะนั่นไม่มีความค้องในตระกูลหรือในปัจใจทั้งหลายเราเมื่อจะกล่าวข้อปฏิบัติอันเปรียบด้วยพระจันทร์และข้อปฏิบัติแห่งบ่งของพระอริยะก็กล่าวอ้างกัสปะให้เป็นต้นตอนพระศาสดาตรับุรพาจริตของพระเทระภิกษุทั้งหลายจึงทูลตามพระศาสดาว่า ก็พระติระตั้งความปรารถนาไว้เมื่อไหร่พระชก้าพระศาสดาพวกเธอประสงค์จะฟังอย่างนั้นหรือภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระชก้าพระศาสดาจึงได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นว่าภิกษุทั้งหลายในที่สุดแห่งแสนกับจากกับนี้พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า ปัทุมุตตะทรงอุบัติขึ้นในโลกดังนี้แล้วตรความปรารถนาในการก่รของพระเระทั้งหมดตั้งต้นแต่ท่านตั้งความปรารถนาไว้ในการแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปัทุมุตตะบุรพาจริตนั้นพระธรรมสังฆะกาจารย์ให้รายละเอียดไว้แล้วในพระบาลี อันแสดงประวัติของพระเถระนั่นแหละก็พระศาสดาครันตรัสบุรวจริตของพระเถระให้พิสดาร แ, แล้วจึงตรสัสว่าพิษุทั้งหลายราอยอย่างนี้แลเราจึงกล่าวข้อปฏิบัติอันเปรียบด้วยพระจันทร์และข้อปฏิบัติแห่งบวงของพระอริยะอ้างเอากสปะบุตรของเราเป็นต้น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 พระกฐถานี้ว่าท่านผู้มีสติย่อมออกท่านย่อมไม่ยินดีในที่อยู่ท่านละความห่วงใหญ่เสียเหมือนฝูงหงษ์ละเปลือกตมไปฉะนั้นบาลีว่าอุยยุนชันติสติมันโตณนะนิเกเ ต, เตระมันติเตหังสาวะปันละลังหิตวา โอกะโมกังชหันติเต ah และนั่นคือเรื่องที่สองที่เกี่ยวกับท่านพระมาหากษัตริยที่อยู่ในเมืองราชกุลท่านอยู่ในเมืองราชกุลนั้นท่านก็เป็นพระอุปชาด้วยอุปชาเนี่คือหมายถึงบวชให้กุลบุตรคนอื่นๆด้วยก็มีลูกศิษย์ของท่านคําที่เขาจะใช้ในที่นี้คือใช้คําว่าสัตวิหาริกแต่ท่านก็มีสัติวิหาริกอยู่สองคนแต่ในเรื่องที่สาม จะให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับลูกศิษย์ของดัานพระมหากศสปะแต่ว่ามีพฤติกรรมที่แตกต่างกันสมกนนี้ข้าพเจ้าอยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังถึงส่วนที่เป็นคาอธิบายในคาถาส่วนนี้ด้วยเราฟังเรื่องที่สมที่เกี่ยวกับลูกศิษย์ของดัานพระมหากศสปะคือสติวิหาริของดัานพระมหากศสปะเทศนาตั้งขึ้นในกรุงราชกฤห์ ได้ยินว่าสถิธิวิหาริกสองรูปอุปถากพระเถระผู้อาศัยกรุงราชกฤกอยู่ในถ้ำปิปะกผลิบรรดาภิกษุสองรูปนั้นรูปหนึ่งกระทำวัดโดยกรรพรูปหนึ่งแสดงวัดที่ภิกษุนั้นกระทำแล้วเป็นเหมือนตนกระทำรู้ความที่น้ำล้างหน้า และไม้ชมระฟันอันภิกษุนั้นจัดแจงแล้วจึงเรียนพระเถราว่าน้ำล้างหน้าและไม้ชมระฟันกระผมจัดแจงแล้วครับขอท่านจงล้างหน้าเถิดแมในการทำกิจมีการล้างเทา้าและส่งน้ำเป็นต้นก็ย่อมเรียนอย่างนั้นเหมือนกันภิกษุอีกรูปหนึ่งคิดว่า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 ตั้งไว้หลังซุ้มแต่ให้เหลือน้ำไว้ในภาชนะต้มน้ำประมาณกระบวยหนึ่งแล้วตั้งไว้ให้พ่นไออยู่ตอนกมตามตันในเวลาเย็นภิกษุรูปที่ไม่ยอมทำข้อวัดนั้นตื่นขึ้นเห็นไอพุ่งออกอยู่จึงคิดว่าน้ำจะเป็นน้ำที่ภิกษุนั้นต้มแล้ว ตั้งไวในซุ้มจึงรีบไปไหว้พระเตระแล้วเรียนว่าน้ำกระผมตั้งไว้ในซุ้มแล้วกอรับนิมนต์ท่านสงเถิดแล้วเข้าไปสู่ซุ้มกับพระเตระด้วยเหมือนกันพระเตระเมื่อไม่เห็นน้ำจึงกล่าวว่าน้ำอยู่ไหนล่ะเธอภิกษุหนุ่มผู้ที่ไม่ทําข้อวัดจึงไปยังโรงไฟ จ่วงะบวยลงในภาชนะรู้ความที่ภาชนะว่างเปล่าจึงโพนธนาขึ้นว่าขอท่านจงดูกรรมของพิสุหัวดือผู้นั้นเธอยกภาชนะเปล่าตั้งขึ้นไว้บนเตาแล้วไปไหนเสียกระผมเรียนด้วยเข้าใจว่าน้ำมีอยู่ในซุ้มดังนี้แล้วเธอก็ได้ถือเอาหม่อน้ำไปยังท่าน้ำ ไปภิกษุรูปที่ทํากอบัดนั้นนําเอาน้ำมาจากหลังซุ้มแล้วตั้งไว้ในซุ้มแม่พระเทระก็คิดว่าภิกษุหนุ่มรูปนี้กล่าวว่าน้ำกระผมต้มตั้งไว้แล้วในซุ้มนิมนต์ท่านมาสงเกระบัตินี้พลันาอยู่หรือเอาม่อไปสู่ท่าน้ำนี่อะไรน้อแลพระเทระ จึงใครกรวนดูก็รู้ว่าภิกษุหนุ่มรูปนั้นประกาศกิจวัดที่ภิกษุรูปอื่นกระทาแล้วเป็นด่งว่าตนกระทาตลอดการเป็นนิสประเตระจึงได้ให้โอวาทแก่เธอผู้มานั่งในเวลาเย็ยนว่าคุณชื่อว่าภิกษุกล่าวกิจที่ตนกระทาแล้วนั่นแหละ ว, ว่าตนกระทา ย่อมควรจะกล่าวกิจที่ตนไม่ได้กระทำว่าเป็นกิจที่ตนกระทำแล้วย่อมไม่ควรบัดนี้เธอกล่าวว่าผมตั้งน้ำไวไ้ในซุ้มนิมนต์ท่านสงเถิดแต่เมื่อเราก็ไปยืนอยู่ถือหม้อน้ำาผลตนาไปชื่อว่าบันปะชิดกระทาอย่างนั้นย่อมไม่ควรภิกษุรูปที่ไม่ทำก้อวัดจึงได้กล่าวขึ้นว่า ท่านทั้งหลายจงดูกรรมของพระเถระพระเถระอาศัยเหตุสักว่าน้ำจึงกล่าวกวับเราอย่างนี้เธอได้โกรธแล้วในวันรุ่งขึ้นไม่เข้าไปบินาบาบกับพระเถระพระเถระไปสู่สถานที่แห่งหนึ่งแับภิกษุรูปที่ทำข้อวัดนั้นเมื่อพระเถระไปแล้วภิกษุรูปที่ไม่ทำข้อวัด ก็ไปสู่ตระกูลอุปตากของพระเถระถูกอุปตากถามว่าพระเถระไปไหนหละกรับจึงบอกว่าปาไม่ผาสุกเกิดแก่พระเถระท่านนั่งอยู่ในวิหารนั่นเองอุปตากก็อะไรเล่าจึงจะควรกับท่านกรับภิกษุปุณณนน์ได้ยินว่าท่านทั้งหลายจงถวายอาหารชื่อเห็นปานนี้ อุปตากทั้งหลายจึงได้จัดแจงตามทํานองที่ภิกษุนั้นกล่าวนั่นเองและได้ถวายแล้วภิกษุผู้นั้นฉันอาหารนั้นในระหว่างหนทางแหละแล้วก็กลับไปสู่วิหารตอนพระเถระจับความเลวทรามของสิทธิ์ได้ฝ่ายพระเถระได้ผ้าเนื้อละเอียดผืนใหญ่ ในที่ที่ไปแล้วก็ได้ให้แก่ภิกษุหนุ่มผู้ไปกับด้วยตนภิกษุหนุ่มนั้นยอมผ้านั้นแล้วได้กระทำให้เป็นผ้าสำหรับนุ่งห่มแห่งตนในวันรุ่งขึ้นพระเถระไปสู่ตระคุณอุปตากนั้นเมื่อพวกอุปตากกล่าวว่าท่านผู้เจริญเพื่อข้าพเจ้าทราบว่าได้ยินว่า ความไม่ผาสุกเกิดแก่ท่านจึงจัดแจงอาหารส่งไปโดยํานองที่ภิกษุหนุ่มกล่าวนั่นเองความผาสุกเกิดแก่ท่านเพราะฉันอาหารแล้วหรือพระเทระก็นิ่งเสียก็พระเทระไปสู่วิหารแล้วกล่าวกับภิกษุหนุ่ม น, นั้นผู้ว่ายแล้วผู้นั่งอยู่ในเวลาเย็นอย่างนี้ว่าคุณ ได้ยินว่าวานนี้เธอกระทำกรรมชั่วนี้กรรมนี้ไม่สมควรแก่บันปะชิตทั้งหลายบันปะชิตกระทำการขอแล้วฉันย่อมไม่กวนตอนประทุสร้ายแก่ผู้มีคุณตายไปเกิดในอเวจีภิกษุผู้นั้นโกรธแล้วผูกอาคาดในพระเถระว่าในวันก่อนพระเถระ อาศัยเหตุสักว่าน้ำกระทําเราให้เป็นคนมักพูดเท็จในวันนี้เพราะเหตุที่เราบริโภค พ, พัดกบมือหนึ่งในสกุลอุปตากของตนจึงกล่าวกับเราว่าบรรปชิตกระทําการขอแล้วบริโภคย่อมไม่สมควรแม้ผ้าท่านก็ให้แก่ภิกษุผู้บำรุงตนเท่านั้นโอกรรมของพระเถระหนัก เราจะรู้สิ่งที่ควรกระทําแก่พระเถระนั้นในวันรุ่งขึ้นเมื่อพระเถระเข้าไปสู่บ้านส่วนตนพักอยู่ในวิหารจับ่อนไม้ทุกวัดถูกทั้งหลายมีภาชนะสำหรับใช้สอยเป็นต้นแล้วจุดไฟในบรรณศาลาของพระเถระสิ่งใดไ ม, ไม่ไหมไฟก็เอาปล่องทุก ทำลายสิ่งนั้นแล้วออกหนีไปภายหลังกระทํากาลาแล้วเกิดในอเวจีมานรกมหาชนตั้งเรื่องสนทนากันว่าได้ยินว่าสัตวิทวิหาริของพระเถระไม่อดทนเหตุสักว่าการกล่าวสอนโกรธและเผาบรรณสศาลาแล้วก็หนีไปต่อมาภายหลังภิกษุรูปหนึ่ง ออกจากกรุงราชกฤย์ใกล้จะเฝ้าพระศาสดาไปถึงพระเชตวันถวายบังกรมพระศาสดาอันพระศาสดาทรงกระทำปฏิสันดาแล้วรัฐถามว่าพวกเธอมาจากไหนละ่ะภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่ามาจากกรุงราชกฤย์พระเจ้าพระศาสดาก็มาหากัสปะบุตรของเราอยู่สบายดีหรือ กภิกษุสบายอยู่พระชคา่าแต่ว่าสัตทธิวิหาริกของท่านรูปหนึ่งโกรธด้วยเหตุสักว่าการกล่าวสอนเผาบรรณสาลาแล้วก็หนีไปพระสัสดาตรัสว่าก็ภิกษุนั้นฟังโอวาทแล้วโกรธในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่ได้แม้ในการกร่อนก็โกรธแล้วเหมือนกันและภิกษุนั้น ประทุษร้ายกุติในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่ได้แม้ในกาลก่อนก็ประทุษร้ายแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วจึงได้ทรงนำอดีตนิทานมารัสว่าเรื่องนกกมินกับลิงวิวาทกันในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรมทัตค์รองราดอยู่ในกรุงปราณาสีนกกมินตัวหนึ่ง กำรังอยู่ในหิมะวันตาประเทศต่อมาวันหนึ่งเมื่อฝนกําลังตกลิงตัวหนึ่งสันสถานอยู่เพราะความหนาวจึงได้ไปยังสถานที่นั้นโนกมินเห็นหลิงนั้นจึงกล่าวกาถานี้ว่าบ่านอนศีษะและมือเท้าของท่านก็มีเหมือนของมนุษย์เมื่อเช่นนั้น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 มีจิตเบากลับกรอกมักประทุสร้ายมิตรมีปกติไม่ยั่งยืนเป็นนิดท่านนั้นจงกระทำอนุภาพเถิดจงเป็นไปล่วงความเป็นปกติของตนเสียจงกระทำกระท่อมเป็นที่ป้องกันหนาวและลมเถิดหลิงนั้นคิดว่านกกะมินตัวนี้ย่อมกระทำเรา ให้เป็นผู้มีจิตไม่มั่นคงมีจิตเบามักประตุสลายมีปกติไม่ยังยืนแบบนี้เราจะแสดงความที่เรามักเป็นผู้ประตุสลายมิตรต่อมันนนนี้แล้วจึงขยี้รังแล้วโปรยลงโนกามินเมื่อลิงนั้นจับเอารังอยู่นั่นแหละได้หนีออกไปโดยข้างหนึ่งแล้วตอน ประมวลชาดกพระศาสดาครั้นทรงนำพระตรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประมวลชาดกว่าลิงในการนั้นได้เป็นภิกษุประตูสรายกุติในบัดนี้นกกมิ่นนั้นคือกาสปะครั้นประมวลชาดกมาแล้วจึงได้ตรัสว่าอย่างนั้นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นประทุสร้ายกุติในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่ได้แม้ในกาลกร่อนภิกษุนั้นโกรธในเพราะโหวาทแล้วก็ประทุสร้ายกุติแล้วเหมือนกันการอยู่ของกัสะปะบุตรของเราคนเดียวเท่านั้นดีกว่าการอยู่ร่วมกับคนผ่านผู้เห็นป่า น, นั้นใ น, นนี้แล้วจึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่า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 เอกะจะริยังทันหังกะยิราณติพาเลสหายยะตาในบรรดากรรมเหล่านั้นคาว่าจะรังแปลว่าเที่ยวบัณฑิตพึงทราบการเที่ยวไปด้วยใจไม่เกี่ยวกับการเที่ยวไปด้วยอิริยบทอธิบายว่าเมื่อสแสวงหากะเลยนมิตและนั่นคือเรื่องที่สามที่เกี่ยวกับท่านพระ มหากัส ป, ปะในคำอธิบายของส่วนตรงนี้ท่านผู้ฟังในส่วนแรกเลยที่เขาพูดถึงเรื่องของการเที่ยวไปเนี่ยแม้ในคําอธิบายนี้ดีมากคือบรงคนคิดว่าแบบจะไปเที่ยวไปกับคนนั้นคนนี้ก็คือหมายถึงการเดินทางไปแต่มันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเพราะว่าในที่นี้คําว่าเที่ยวไปนั้นก็คืออยู่ด้วยคุณธรรมที่เหมือนกัน คุณธรรมที่เหมือนกันถ้ามันไม่เหมือนกันนะ่ยมันจะไปอยู่กันมันก็อยู่ไม่ได้คําอธิพานนี้เขามีความลึกซึ้งลงไปอีกนะท่บุฟังก็อย่างอธิบายลึกซึ้งต่อไปตรงที่ว่าเอาแล้วถ้าครูบาอาจารย์อยู่กับลูกศิษย์ลูกศิษย์มีคุณธรรมไม่เหมือนกันเอางั้นจะอยู่กันได้ยังไงแล้วก็อย่างอธิบายถึงส่วนที่เรียกว่าอาศัยความกรุณาอาศัยความกรุณาที่หวังว่าเออคนนี้เขามีศีลมีสมาธิมีปัญญาไม่เท่ากับเรา เอาเข้ามาอาศัยเราอยู่ เ, เขาจะมีศีลสมาธิปัญญาเท่าเราได้อันนี้คืออาศัยความกรุณาแต่ถ้าไม่ได้อาศัยตรงนี้ก็อย่าอยู่ด้วยกันคําว่าอยู่ด้วยกันนั้นก็หมายถึงว่าไปกั น, น, นคือไปกันด้วยคุณธรรมอันนี้ได้แต่คําอธิบายนี้ก็มีแง่มุมที่มีความลึกซึ้งอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เรามาอ่านเรื่องพุทธพจน์หรือจะเป็นคําอธิบายใดๆก็าตามแต่เราก็ดูให้ดี ว่าอนไรที่มันลงรับกันเข้ากันได้เออ น, นี่ก็เป็นส่วนที่เป็นความหมายที่ลึกซึ้งขึ้นไปมีทั้งบทเพลียงชนะด้วยมีทั้งตัวความหมายที่แยกเป็นหลายในยะเป็นอัตตาต่างๆด้วยฟังแล้วความรู้ของเราก็จะมีความกว้างกวางถึงบฟังวันนี้เวลาหมดแล้วข้าพเจ้าพระมหาไพบุญอาภิปุณโญจากวัป่าดอนนาโศกเจริญบอ่อน